สำหรับคนที่ยังไม่เคยนะคนที่เคยแล้วก็ทำคนที่เคยแล้วก็ทำช้าๆหน่อยนะอย่าทำไวว า, างมือทั้งสองทีหายใจลึกๆตั้งตัวให้ตรงๆพริกมือขวาตะแคงขึ้นบนเข่าขวายกมือขวาขึ้นข้างลำตัวมือขวามาหน้าท้องตั้งมือซ้ายบนเข่าซ้ายยกมือซ้ายข้ามตัว มือซ้ายประกบมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกมือขวาออกข้างลำตัววางมือขวาลงวามือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกมือซ้ายออกข้างลำตัวว่ามือซ้ายลงวาบมือซ้ายลงพิกขวา ขนาดที่เราพลิกนี่นะให้ใจไปตามมือก่อนตอนแรกนะสายตาเรามองไม่ไกลสายตาเรามองเฉพาะหน้าเราให้ใจตามรู้ว่ามือเคลื่อนอย่างไรหยุดอย่างไรออกมาอย่างไรลงอย่างไรให้ตามรู้ตามรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปกดเกร็งเพ่งจ้องหรือตั้งใจมากเกินไปให้ตั้งใจแบบสบายๆเหมือนนึกว่า ใจเรากําลังเคลื่อนไหวอยู่เฉพาะหน้าของเราสมมุติว่ามือนี้เป็นใจของเราเราเห็นมือก็เหมือนเห็นใจเราคว่ำ ม, มือก็เหมือนคว่ำใจเราพลิกมือก็เหมือนพลิกใจเรายกมือก็เหมือนยกใจแล้วว่าดูกายเห็นจิตตาของเราเที่ยงว่าดูกายคือดูมือเนี่ยเห็นจิตมือนี้ถ้าไม่มีจิตมันจะเคลื่อนได้ไหมเคลื่อนไม่ได้ตาของเราเนี่ถ้าไม่มีจิตมันจะมองเห็นไหม มองไม่เห็นกายของเราถ้าไม่มีจิตมันจะรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นไหมไม่รู้เห็นหดูกายเห็นจิตง่ายๆดูมือก็เห็นใจแล้วว่ามือนี้เป็นเหมือนหุ่นตัวที่ชักไปชักมานี่ก็เหมือนใจที่มันชักหุ่นอยู่สติคือคนชักหุ่นอีกที่หนึง่งสติคอย รู้ว่ามือไปอย่างไรจิตเป็นนายเป็นนายนามือเราไปนำมือเราพลิกให้รู้ตลอดกายนี่เป็นเรือร่างกายของเรานี่รูปเนี่เป็นเรือสติเป็นหางเสือสติคอยกํากับว่าทายังไงถูกทํยังไงผิดให้เป็นหางเสือไปถูกต้องตามทิศ ท, ทางที่ถูกต้อง เราจะไปทําอะไรนี่ต้องคํานวณด้วยว่ามันถูกหรือผิดนี่เป็นสติปัญญาเป็นคนพายก็หมายความว่าเมื Phillip ่อตัดสินว่ามันถูกก็ลงมือทําตามอย่างถูกต้องก็เป็นปัญญาถ้าคนไหนทําถูกต้องมากก็มีปัญญามากคนไหนทําถูกต้องน้อยก็มีปัญญาน้อยคนไหนทําผิดบ่อยๆก็มีปัญญาน้อยลงไปอีกคนไหนไม่มีปัญญาก็ทําผิดบ่อยๆก็ทุกข์ก็มากคนไหนมีปัญญามากทําถูกบ่อยๆทุกข์ก็น้อยนี่ JO Vielleicht. <sein reno> ต, ตัวปัญญานี้เป็นผลอันเกิดมาจากสติตัวสตินี้เป็นตัวกำหนดทิศทางเรือจะวิ่งเร็วขนาดไหนถ้าหากว่ากำหนดทิศทางไม่ถูกมันก็ไปหลงทางแต่สติเป็นตัวกำหนดทิศทางแล้วเรือวิ่งเร็วก็ถึงเร็ววิ่งช้าก็ถึงช้าเพราะฉะนั้นสติจึงตัวบังคับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติตัวปัญญาก็คือตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ทีนี้เวลาเราทำเนี่ยจิตของเรามันจะไม่ค่อยพอใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะจิตของเรามันเคยโลดแล่นไปกับอารมณ์แต่เดี๋ยวนี้มันมาโลดแล่นอยู่กับของจริงนี่มันไม่ชอบเพราะใจของเราอยู่กับชอบชอบอยู่กับสิ่งหลอกลวงชอบอยู่กับสิ่งหลอกหลอนชอบอยู่กับสิ่งที่เป็นมายา เพรนั้นพอเรานํามันมาอยู่กับของจริงเนี่ยมันจะไม่อยากอยู่มันจะเบือ่อจะนายจะเซ็งจะขี้เกียจจะหูดีอึดอัดขัดแย้งสารพัดมันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนั่นแสดงว่าใจของเรามันถูกทวนกระแสมันจะไม่พอใจแต่เราจะต้องอดทนในช่วงที่จิตของเรามันมันถูกดัดถูกฝึกเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นสองสามวันแรกนะมีสารพัดอย่าง น, นนะนะเราเรอดูก็แล้วกัน ถ้าทำไปใหม่ๆไม่เป็นหรอกถ้าทำไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะเห็นว่าใจของเราเน่มันดิ้นรนสัดสายแต่เราเอาความอดทนเป็นหลักอดทนทำไปแล้วก็ทนทำทาทนแต่ในขณะที่เราทนทําไปนี้ถ้าคนไหนมีสติก้าปัญญาไว้ก็จะพยายามพลิกแปลงให้จิตใจของเราเนี่ยให้เกิดความเข้าใจให้ได้ เราทํานี้เพื่ออะไระทําทําไมทําเพื่ออะไรเราทําไมจึงรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกดีๆก็มีแต่ทําไมมันเกิดความรู้สึกไม่ดีเราก็จะบอกถามตัวเองอยู่เรื่อยๆลักษณะถามตอบตัวเองเรื่อยๆเนี่ยเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญญาหาคําตอบนะ แต่ไหนตั้งคำตอบคำถามะยากเกินไปมันก็จะเกิดความอึดอัดปัญญามันตอบไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจไม่ต้องถามไม่ต้องตอบแล้วให้กำหนดรูปไปเฉยๆจำได้ไหมไดนะ้เกือบได้แล้วเนาะหน้าท้องเอามาหน้าท้องก่อนนะ มาควบมือเ่อนขึ้นออกตั้งลงหอบลงเ่อนขึ้นออกตั้งลงแล้วทำใจให้สบายๆขณะที่ทำเนี่ยทำใจให้ใหญ่เอาไว้อย่าทำใจให้น้อยอย่าทำใจให้หดหูหิวแห้งทำใจมันล่าเริองอาจหารเหมือนทหารออกศึกเหมือนทหารเข้าสงคราม รู้สึกฮึกเหิมในการทำรู้สึกกล้าหาญในการทำเพราะฉะนั้นต้องขณะทำนี่ต้องนึกถึงศีลห้าไว้เสมอศีลห้าคุณสมบัตินะไม่ใช่ศีลห้าแบบประเภทนะมีความหนักแน่นเข้มแข็งไม่หวั่นไหวนะแล้วก็มีความประสานเป็นหนึ่งกลมเกลียวระหว่างกายกับใจ แล้วก็มีความเยือกเย็นมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหินเป็นก้อนเดียวเนี่ยก็คือทํากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวอย่าให้ใจภาคจากกายอย่าให้กายภาคจากใจเนั้นในในสาระของศีลเนี่ยมันก็มีภาคภาวนาอยู่ในนั้นด้วยพี่จา่าในดีๆนะที่ในกนณีพอทําไปนา น, าน มันปวดมันเมื่อยมันขัดที่ขาที่ตะโพกที่เอวที่หลังที่ไหล่ทาไงเพราะบางคนเป็นคนใหม่ตั้งท่าทำเกินไปมันเกร็งไงเกร็งหูเมื่อยทั้งตัวเลยทำไปสักพักรู้สึกมันอึดอัดไปหมดนะหายใจไม่ค่อยออกเพราะเราเกร็งตั้งใจเกินไปเราหายใจลึกๆยืดตัวทีนี้เราจะพลิกเปลี่ยนเคลื่อนไหวเราจะพลิกตามอยากเลยไม่ได้ต้องทาตามสติ นันก็คือทําตามลําดับทำตามลําดับยังไงเวลาเราต้องการพลิกแล้วก็สร้างจังหวะมาอยู่ที่จังหวะที่หกพอจังหวะที่6กนะนี่มือทั้งสองจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าท้องใช่ไหมหน้าท้องมอจังหวะที่6แล้วก็เปลี่ยนบาลานซ์น้ําหนักก็คือทวงดุนน้ําหนักพลิกให้ทรงก่อนแล้วก็มาท่าไหนก็กําหนดเอาท่าทับซ้นเราก็นั่งทับส้นไป ตั้งทาดีๆแล้วก็เคลื่อนจังหวะตออย่างนี้ น, ะนี่พอไปท่าใหม่แล้วก็ให้ศึกษาดูว่าท่าใหม่นี้มันจะทําให้เกิดความไม่สบายตรงไหนอีกก็ดูไปเรื่อยๆนะดูไปมือก็กําหนดไปจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นทางเสือปัญญาเป็นคนณพายนึกไว้ในใจเสมอดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นประมาตดูอริยสัจเห็นนิพพาน ดูกายห็ใจก็ดูมือแต่ตาไม่ต้องตามดูแล้วนะเอาใจดูรูมือเคลื่อนมือไหวก็รู้ใจเคลื่อนใจไหวนี่พอเรารู้สึกทำไปนานๆเราคอยสำรวจไปเรื่อยๆแต่บางครั้งจิตมันมันอึดอัดมันก็แอบไปคิด คิด น, นิดคิดนี่หน่อยก็ให้รู้ออกคิดออกไปละกลับมาสู่ที่มือใหม่อ่าพอเผลิพักเนะี่ยเอาแอบคิดออกไปอีกแล้วกลับมาสู่มือใหม่เรื่อยไปอย่างนี้แหละนี่คือภาคปฏิบัติภาคภาวนาแต่ถ้ามันสงสัยมันถามขึ้นมาในใจว่าทำทำไมทําเพื่ออะไรแล้วก็หาคําตอบให้มันให้ได้แต่หาคําตอบให้มันไม่ได้ก็ต้องต้องไปถามพระอาจารย์ะ อาจารย์ทำไปทำไมทาเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรหาคำตอบไม่เจอเลยก็ไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็ตอบใหม้มีคำถามเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าหากว่าคนไหนไม่ต้องมีคำถามเลยก็ทำไปเรื่อยๆก็จะไวขวานะเพราะอะไรเพราะมันเห็นของจริงอยู่แล้วเนี่ยดูกายเห็นจิตใช่ไหมส่วนไหนมันเคลื่อนไหว ที่ขึ้นไว้เป็นานามันปวดหัวไหลททำไงตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ปวดหัวไหลก็พิกมือเบาๆช้าๆแกมันง่ายๆในทำเปนนนามันง่วงอะ่ะทำไงก็อย่าหลับตาถ้าหลับตามันง่วงแน่นอนเลยลืมตาไว้แต่ถ้าหากว่าแม้แต่ลืมตาเมื่อยังหลับ ทั้งที่ตื่นอยู่ทําไงก็มือลืมตา ก, กว้างๆดูไปไกลๆนู่นมาดูยอดไม้ดูแสงแดดดูภูเขาไปเบิ่งตาไปกว้างๆไกลๆมันก็หายหายง่วงนะแต่วิธีการนี้ไม่ให้หลับตาถ้าหลับตาแล้วมันจะง่วงขนาดเราไม่หลับตามันยังง่วงเลยที่หลับตาก็ยิ่งง่ายเนะพราะทําไปสักพักหนึ่งอา้าวท่านี้ก็ไม่ไห ว, วแล้วปวดก็แล้วทําไง แล้วก็ดูโอนปวดไปเองถ้าอยากเปลี่ยนใช่ไหมถ้าใจอยากก็อยาเปลี่ยนให้มันแต่ร่างกายมันทนไม่ไหวให้เปลี่ยนถ้าใจมันอยากนี่มันมันอยากของมันเรื่อยๆแหละเดี๋ยวอยากอย่างนั้นเดี๋ยวอยากนี้ไปเรื่อยๆไม่ตามมันไม่ตามใจควาใจของเรามันเป็นท่าของความอยากมานานเราก็ทวนกระแสมันทีเราจะเปลี่ยนจริงๆแล้วเอามือมาไว้ท่าที่6กแล้วก็เปลี่ยนบาลานซ์หนึ่งสสสสมมุติเรานั่ง เพียบแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังกลับออกมาแล้วก็ทำต่อไปต่อไปเรี่อยๆก็พยายามตั้งตัวให้ตรงหายใจให้ลึกนะใจใลึกนี่วิธีการยกมือแบบนี้ ที่ถ้าสมมุติเราทำไปทํามามันขี้เกียจขี้เกียจนี่เห็นท่าจะเป็นปัญหาเฮ้ยข้อที่ตอบยากสัหน่อยนะถามขี้เกียจทําไงแก้ขี้เกียจลองลองนึกดูว่าขี้เกียจจะแก้ยังไงมันไม่อยากแก้แม้แต่จะแก้จะแก้ก็ยังขี้เกียจอยู่เลยจะไปแก้มันไม่มีแค่นี่นขี้เกียจเนี่ยมันเป็นปัญหาข้อที่ตอบยากที่สุดเลยอ ความคิดแม้แต่จะแก้ขี้เกียจมันยังไม่มีแล้วจะไปอะไรไปแก้มันได้ที่นี่มันจะต้องมีตัวแก้คืออันนั้นคือใช้ตัวศรัทธานะแก้ขี้เกียจศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงงี้เวลาขี้เกียจขึ้นมาอ้พระพุทธเจ้านะท่านเป็นถึงราชามหากษัตริย์นะมีลูกมีเมียมีอะไรพ่อแม่มีบ้านมีเมืองดีที่สุดเลยท่านยังอุตส่าห์ออกมา สแสวงหาจะทำให้กับเรานะท่านยังอดข้าอดน้ําแทบจะเป็นจะตายนะฝ่าฟันอันตรายทุกอย่างนะสแสวงทำมาให้เราเราทําแค่นี้เราไม่ต้องสแสวงอะไรมากเพียงแต่ท่านรู้แล้วมาบอกเราเราก็ทําตามทําไมเรายังไม่ทำนี่เรานี่แย่จริงๆริงเราก็นึกไปอย่างเงี้ยเอา้านึกสู้บูชาบูชาพระพุทธเจ้าว่าทําแล้วมันได้บุญ เราบูชาพุทธเจ้าเอาบุญก็ให้กำลังใจตัวเองความขี้เกยียจก็ค่อยๆหายไปนึกนึกให้กำลังใจตัวเองนะโอ้เราเกิดมานี่เราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีกายครบ32ไม่บอดไม่หนวกไม่เปี้ยไม่ง้อยโอ้โชคดีจังได้พบพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยโอ้เราจะขี้เกยียจไม่ได้แล้วต้องรีบทาเพราะว่า การที่เราได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เป็นบุญสูงสุดที่จะทำให้เราต้องไม่ทุกข์เดือดร้อนตลอดชีวิตแม้แต่ชีวิตเราก็จะพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดพ้นจากทุกข์เรารีบทำนะนี่การนึกในทางกุศลมาแก้ไขได้ในความีิเกียตเกิดขึ้นนะาเกิดมาเป็นมนุษย์ในี่โอ้โชคดีจังคนที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มากมายนะสัตว เกิดเป็นสัตว์นี่นับไม่ได้เป็นสัตว์บกก็นับไม่ได้เกิดเป็นสัตว์น้าก็นับไม่ได้เืิดเป็นสัตว์อากาศก็นับไม่ได้เืิดเป็นสัตว์ใต้ดินก็นับไม่ได้แต่มนุษย์นี่นับได้เพียงห้าพันล้านในโลกนี้เมืองไทยแค่แค่หกกว่าล้านนับได้แต่สัตว์ที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันนับไม่ได้มหาศานมันไปเกิดแต่เราเกิดมาเป็นคนโชคดี พวกนี้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาได้บุญกุศลถ้าเราไม่มีบุญกุศลเราเกิดมาไม่ได้เพราะนั้นเราจะมามัวขี้เกียจอยู่ทําไมแล้วก็พยายามนึกอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความขยันขึ้นมาวิธีการออกจากความขี้เกียจก็หาเรื่องที่ดีๆมาคิดแทนพอมันเกิดขยันขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปขี้เกียจทิ้งความขี้เกียจไปทิ้งความคิดไปม า, อ ย, ามมอยู่ความรู้สึกตัวใหม่อยความรู้สึกตัวใหม่ พอพยายามสักพักที่นี่มันไม่ขี้เกียจนมันฟุ้งมันคิดฟุ้งซ่านแล้วทีนี้คิดนั่นคิดนี้ อ, อันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะทาอันนี้ก็จะโอ้คิดไปแล้วอันนั้นก็น่าจะทำอันนี้ยังไม่ได้ทำไปจังนู้นแล้วที่นี่ไม่ง่วงละไม่ขี้เกียจละแต่ไปในความคิดทีนี้จะทำาไงแก้ยังไงพอคิดไปปัหนึ่งมันลืมความรู้สึกเลยนะความรู้สึกก็จะหายไปเลยลืมไปเลย นึกยังไงฟุ้งซ่านนี่แกยังไงเราก็นึกกลับใจเข้ามาฟุ้งมันออกไปทําให้อุศสของเราไหลความดีของเราไหลนี้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปิดรีบอุดคนฟุ้งซ่านเหมือนกับเรือรั่วน้ําเข้าเรือก็เลือจมจิตของเราฟุ้งออกไปมันก็อกุศสทํามันก็รั่วเข้ามาในจิตทําให้ใจของเราต้องจมเพราะนั้นรีบปิด ความฟุ้งซ่านออกมาอยู่ความรู้สึกตัวใหม่เอาเสติเข้าไปอุดไว้เอาเสติเข้าไปยาไว้ความฟุ้งซ่านก็หายไปเพราะฉะนั้นะอุปสรรคทุกตัวมีวิธีแก้แต่ขอให้เรานึกถึงวิธีให้ได้แต่ว่าเมื่อมันมีอุปสรรคจริงๆไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็ไปหาพระถามท่านนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่จะพอเป็นเพื่อนเราแนะนาเราได้พระที่ ม, มาปฏิบัติ ทุกลูกก็มาตั้งใจมาปฏิบัติแบบเราปรึกษาหลวงพ่อสงวนก็ได้อาจารย์วิมลก็ได้อาจารย์สมพงศ์ก็ได้อยู่เป็นกะยะนายาณมิตรของเราที่นี่นะอันนี้วิธีการนั่งและ ว, วิธีการเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนท่านนั้นแล้วแล้วท่านนี้ก็แล้วมันก็ยังเหนื่อยอยู่ทําไงแล้วก็เปลี่ยนไปท่าอื่นบ้างเวะลาน้ําหนักพาเอามือมาไว้ท่านี้เสมอก็เปลี่ยนมาเป็นท่านี้บ้างก็ได้ ยืนเขาร่างกายมันก็สบายขึ้นนิดหนึ่งเราก็ดูว่ายืนเขานี่เราสามารถยืนได้นานแค่ไหนท้างใช้ความสามารถละเราจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนร่างกายของเราเคยตกเป็นทาสของความคิดวันนี้เราจะมาเป็นทาสของความรู้บ้างเป็นไงทาสของความรู้สึกตัว ที่แล้วมาเราเป็นธาตุของความคิดเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของความปรุงแต่งวันนี้เรามาเป็นธาตุของความรู้สึกตัวมาเป็นธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบ้างจะเป็นไรมันก็จะมีความฮึดสู้ขึ้นมานะไม่ตกเป็นธาตุของความคิดมีคนบางคนบอกว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคิดไม่ได้นไถือาศาสนารู้าศาสนาคิดเอา มันก็เลยไม่ได้เป็นพุทธสักทีศาส น, นาคิดเอาอะไรก็นิดหน่อยก็คิดมันก็เลยทุกข์นะทีศาสนาคิดมันจะทุกข์ที่ศาสนาพุทธมันจะรู้มายืนเขาก็ยังปวดขาอยู่ทําไงแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งสอง 3 4 5แล้วก็ยืนขึ้นอย่างนี้ยไปเดนนะก็เปลี่ยนหน่อยยืนแล้วก็ยืนทำยืนไปสัก10นาที20่ินาทีก็เมื่อยขาอีกแล้วมือขาจะทำไงทีนี้พอพิจารณาตัวเมื่อยว่าอ้าวมื่อยนี่เป็นอะไรนาะ เมื่อยนี่เป็นเราหรือเปล่าเนาะแล้วเขาเปลี่ยนไปเมื่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเนี่ยเมือเ่อยเป็นทุกเมื่อยเป็นทุกเป็นนิจจังทุกขังทีนี้เราจะเอามันเนาะไม่เอาถ้าเอามั น, นทำไงที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ล่ะก็เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนทิ้งไปเปลี่ยนทุกทิ้งไปเสร็จแล้วเวลา เดินเต็มเดินอื่นเต็มที่แล้ว